อาหังมาตาปิดตุนังปะเทวันธามิอหมาตาปิดตุนังปะเทวันทมิข้าพเจ้าขอกราบแทบเท้าทั้งสองของแม่และพ่อพระอรหันต์ที่จำพันษา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 รักบรรดานิทานสีขาวเมืองแห่งกษัตริย์5ปีการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเมืองใหญ่แห่งหนึ่งชื่อเมืองกษิบุรีทว่าประชาชนในเมืองกลับไม่ได้เรียกขานชื่อเมืองด้วยนามดังกล่าวแต่กลับเรียกเมืองของตนว่าเมืองแห่งกษัตริย์หปีซึ่งเป็นเรื่องน่าพิศวง์สําหรับคนต่างบ้านต่างเมืองที่มาเยืนเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามสำหรับชาวเมืองแล้วการเรียกชื่อเมืองเช่นนี้ม่ใช่เรื่องน่าพิศวงเนื่องจากมีที่มาที่ไปซึ่งเล่าสืบต่อกันมาหลายร้อยปีว่าแท้ที่จริงแล้วเมืองกะิบุรีเป็นเมืองที่เกิดจากการเนรมิตของเทวดาสี่องค์เพื่อสร้างกุศลครั้งใหญ่ให้แก่ตนเองครั้นเนรมิตเมืองจนโออาวิจิตเป็นที่พอใจแล้วเทวดาทั้งสี่ จึงแต่งตั้งมนุษย์คนหนึ่งขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองอีกทั้งยังบอบชื่อไว้เพื่อเป็นสิริมงคลให้ว่าเมืองกษิบุรีก่อนที่เทวดาทั้งสี่จะกลับสู่สวรรค์ก็ได้สั่งสอนคุณธรรมของผู้นำให้แ ก, ก่กษัตริย์และยังกำชับให้ถ่ายทอดคุณธรรมดังกล่าวไปสู่บรรดาลูกหลานที่จะต้องขึ้นปกครองบ้านเมืองในสมัยต่อๆไปด้วยจากนั้น เชื้อสายของกษัตริย์พระองค์แรกรุ่นแล้วรุ่นเล่าก็ขึ้นปกครองเมืองกษิบุรีด้วยความสุขสงบตลอดมาจนกระทั่งในสมัยหนึ่งกษัตริย์ที่ได้ขึ้นครองราชบัลลังก์ทรงเป็นกษัตริย์ที่รักสนุกและหมก ม, มุ่นในกามรมจนไม่ใครสนใจออกว่าราชการแผ่นดิน นอกจากนั้นยังทรงขาดเขาจิตใจอ่อนแอและไร้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองเป็นที่สุดด้วยเหตุนี้เมืองกสิบุรีที่เคยสงบสุขจึงถึงคราววิบัติความวุ่นวายระสำาระสายแผ่คลุมไปทั่วแผ่นดินจนชาวบ้านต้องพบกับความทุกข์เข็นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนกล่าวถึงเทวดาทั้งสี่ เมื่อทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็รู้สึกโกรธเคืองกษัตริย์พระองค์นี้มากเทวดาทั้งสี่จึงลงมายังเมืองเกษบุรีอีกครั้งแล้วยึดเมืองเกษบุรีคืนพร้อมทั้งเนรเทศกษัตริย์องค์ปัจจุบันออกไปจากเขตเมืองเกษบุรีแล้วกล่าวคำสาปแช่งไว้บนแผ่นดินว่าเราทั้งสี่อุตสาห์สร้างเมืองไว้ให้พวกมนุษย์ได้อยู่อย่างสุขสบายแต่มนุษย์โง่เขลาบางคน ก็ทำลายความตั้งใจของพวกเราเสียต่อไปนี้กริย์ที่จะมาปกครองบ้านเมืองต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมแก่การเป็นกริย์คือต้องเข้มแข็งกล้าหาญพลังพร้อมทั้งคุณธรรมและมากด้วยสติปัญญาหากกริย์พระองค์ใดมิได้เป็นดั่งคำเราว่าชีวิตของกริย์พระองค์นั้นจกต้องถึงคราวดับศูนย์ จงจำไว้นับจากนี้ผู้ที่เป็นกษัตริย์แห่งเมืองกษิบุรีจะมีเวลาบริหารบ้านเมืองเพียงห้าปีโดยเราทั้งสี่จะมอบความรุ่งเรืองเฟื่องฟูพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลให้ตลอดเวลาห้าปีที่ครองราชบัลลังก์แต่เมื่อครบห้าปีแล้ว กษัตริย์ทุกพระองค์จะต้องลงเรือข้ามแม่น้ำไปขึ้นฝั่งที่ป่าลึกทางทิ่ตะวันตกเมื่อไปถึงยังฝั่งนั้นแล้วหากกษัตริย์พระองค์ใด ย, ยังมีชีวิตรอดอยู่ได้พวกเราจะลบคําสาบนี้ทิ้งเสียและอวยพรให้พบกับความเจริญรุ่งเรืองสืบไปแต่ถ้ากษัตริย์พระองค์ใดไม่ยอมทาตาม โดยฝืนที่จะปกครองเมืองกรสิบุรีต่อไปทั้งที่ครบห้าปีแล้วเมืองกระสิบุรีก็จะถึงการพินาศย่อยยับหมดสิ้นไปทั้งเมืองกล่าวจบเทวดาทั้งสี่ก็กลับขึ้นสวรรค์ไปเมืองกรสิบุรีจึงได้ชื่อว่าเมืองแห่งกษัตริย์ห้าปีนับตั้งแต่บัดนั้นกระทั่งทุกวันนี้นับเป็นเวลาเกือบร้อยปีแล้ว แต่ธรรมเนียมการแต่งตั้งกษัตริย์ห้าปีก็ยังเป็นเรื่องที่ชาวเมืองกรสิบุรียึดถืออย่างเคร่งครักรดกษัตริย์ทุกพระองค์จะครองราชบัลลังก์อยู่ได้เพียงห้าปีเมื่อครบห้าปีแล้วหากกษัตริย์พระองค์ใดดื้อดึงไม่ยอมลงเรือข้ามฝั่งก็จะถูกบรรดาเสนาอำมาตย์จับมัดแล้วโยนลงเรือไปทันทีด้วยเหตุว่าทุกคนต่างก็กลัวในคำสาปแช่งของเทวดาทั้งสี่ ที่เคยให้ไว้เมื่อเกือบร้อยปีก่อนและยังไม่เคยมีกษัตริย์พระองค์ใดรอดชีวิตออกมาจากป่าลึกแห่งนั้นได้เลยแม้แต่พระองค์เดียวอย่างไรก็ตามหากมองเผินๆอาจจะดูเหมือนว่าราชบัลลังก์แห่งนี้หาคนครอบครองได้ยากเอาการแต่ก็ใช่ว่าจะไร้คนสนใจเอาเสียเลยทีเดียวเพราะเป็นที่รู้กันดีว่าในเวลาห้าปีที่เป็นกษัตริย์นั้น กษัตริย์ทุกพระองค์จะได้ครอบครองทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลแต่เพียงผู้เดียวและสามารถใช้ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นเพื่อการใดก็ได้อย่างอิสระความโลภทําให้คนลืมกลัวความตายไปได้ชั่วขณะและคนโลภมากมายก็แห่แหนมาขอรับตำแหน่งนี้ดังนั้นแม้จะเป็นเมืองต้องคำสาบอันน่าสะพรึงกลัว แต่เมืองแห่งกษัตริย์หปีก็ไม่เคยขาดกษัตริย์ขึ้นปกครองเลยสักปีเดียวในปีหนึ่งเมื่อกษัตริย์พระองค์ล่าสุดถูกจับโยนลงเรือไปยังป่าลึกฝั่งตะวันตกแล้วตำแหน่งกษัตริย์ก็ว่างลงถึงหนึ่งปีทำให้เหล่าเสนาอำมาตย์ต้องปรึกษาหารือกันเป็นการใหญ่ว่าควรทำอย่างไรเพราะมีกษัตริย์ ผู้เดียวที่สามารถนำทรัพย์สมบัติอันมหาศาลซึ่งเทวดาเนรมิตไว้ออกมาใช้จ่ายได้ หนึ่งปีมานี้เราต่างก็ใช้สมบัติส่วนตัวของพวกเราทำนุบำรุงบ้านเมืองไปจนเจียนจะหมดตัวอยู่แล้วภาษีอากรที่เก็บเพียงปีละน้อยนิดจากประชาชนก็แทบจะช่วยอะไรไม่ได้เลยหากยังไม่มีกษัตริย์มาปกครองบ้านเมืองและบริหารทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อประโยชน์ของประชาชนเช่นนี้ข้าว่า เมืองของเราคงได้พินาทย่อยยับเสียก่อนที่จะเป็นไปดังคำสาปของเทวดาทั้งสี่เป็นแน่ๆ อ, อามาตย์อวุโสสูงสุดกล่าวในที่ประชุแล้วเราจะทำอย่างไรไม่มีใครมาขอรับตำแหน่งกษัตริย์เลยหรือคนโลกจะหมดไปจากแผ่นดินเสียแล้วอามาตอีกคนว่าเป็นเช่นนั้นอยู่ก็ดีอยู่นะ แต่คงไม่ใช่สำหรับบ้านเมืองของเราตอนนี้เพราะเราต้องการใครก็ได้สักคนหนึ่งขึ้นมาครองราชบัลลังก์และมีอำนาจในทรัพย์สมบัติเนรมิตเรานั้นด้วยอำมาตย์อาวุโสกล่าวอย่างเคร่งเครียดการประชุมครั้งนานนอกจากจะไม่ได้ข้อสรุปอะไรแล้วยังทำให้อำมาตอาวุโสซึ่งชราภาพมากแล้วต้องล้มป่วยลงด้วยความเครียดอีกด้วย อมมาดอาวุโสมีหลานชายที่รักมากคนหนึ่งชื่ออานน์เป็นเด็กหนุ่มรูปงามมีความกล้าหาญสติปัญญาเป็นเลิศนอกจากนั้นยังมีคุณธรรมเป็นที่ตั้งแห่งชีวิตเนื่องด้วยได้รับการอบรมสั่งสอนอย่างดีจากอมมาดอาวุโสผู้เป็นตาเ<ตา>มื่อเห็นตาของตนป่วยหนักขึ้นทุกวันอานน์จึงบอกแก่อัมมาดอาวุโสในวันหนึ่งว่าต่อไปนี้ท่านตาไม่ต้องกังวลใจอะไรแล้ว พราะหลานจะเป็นคนรับตำแหน่งกษัตริย์องค์ต่อไปเองอมา์อาวุโสแทนที่จะดีใจกลับรู้สึกตนกใจจนหน้าซีดเผือกพูดอะไรอย่างนั้นเจ้าก็รู้มิใช่หรืออานนท์ว่ากษัตริย์แห่งเมืองนี้จะมีจุดจบเช่นไรหลานรู้ดีแต่หลานไม่กลัวดอกอานนท์ตอบอย่างกล้าหาญนี่เจ้าอยากได้ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นจนถึงกับยอมตายเชียวหรือ เจ้ากลายเป็นคนโลภตั้งแต่เมื่อไหร่การอาโนนอมาดอาวุโสพูดด้วยความผิดหวังหลานมิใช่คนโลภเพราะท่านตาไม่เคยสอนให้หลานเป็นคนเช่นนั้นหลานไม่ได้อยากครอบครองทรัพย์สมบัติเดรมิธเหล่านั้นแต่หลานต้องไปเป็นกรรษัตริย์เพราะจะต้องมีใครสักคนยอมเสียสละเพื่อบ้านเมืองของเราในเวลานี้การที่หลานกล้าอาสาก็เพราะความกล้าหาญที่ท่านตาปลูกฝังไว้ในตัวหลานตั้งแต่เล็กต่างหาก เมื่อได้ฟังหลานชายพูดออกมาด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเช่นนั้นอมาอาจอวุโสก็ไม่มีเหตุผลใดๆที่จะแย้งอีกต่อไปแม้เขาจะรู้สึกเศร้าโศกในชะตาชีวิตอีกห้าปีข้างหน้าของหลานชายแต่ลึกๆแล้วอมาอาจอวุโสก็อดภาคภูมิใจในความกล้าหาญของอานนท์ไม่ได้อานนท์จึงได้ขึ้นครองราชบัลลังก์และได้รับการสถาปนาเป็นกษัตริย์อานนท์นับจากวันนั้น แม้จะอายุยังน้อยแต่ตลอดเวลาที่อยู่ในตำแหน่งกษัตริย์แห่งเมืองกษัตริย์ห้าปีกษัตริย์อาณน์ตั้งใจปกครองบ้านเมืองอย่างดีที่สุดความเฉลียวฉลาดและคุณธรรมที่ปลูกฝังมานานกอดกับคำแนะนำอันเฉียบคมจากอัมมาศอาวุโสผู้มากประสบการณ์ทำให้กษัตริย์อานน์สามารถพาบ้านเมืองผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆนานาได้อย่างน่าชื่นชมด้วยเหตุนี้กษัตริย์อานน์จึงกลายเป็นที่เทิดทูนยกย่องของข้าราชบริพาร และเป็นที่รักของประชาชนในเวลาอันรวดเร็วแล้วในที่สุดก็ครบกำหนดห้าปีถึงวันที่กษัตริย์อานน์จะต้องลงเรือไปยังป่าลึกฝั่งตะวันตกที่น่าจะพึงกลัวแห่งนั้นข้าราชบริพารและประชาชนต่างมารอส่งสเสด็จที่ท่าน้ำทั้งหมดต่างพากัน ร, ร่ำหไห้ด้วยความอลาลัยรักในพระ อ, องค์เป็นอย่างยิ่งแต่กษัตริย์อาน์หาได้มีท่าทีหวาดกลัวดังเช่นกษัตริย์พระพ อ, องค์อื่นไม่ พระองค์ทรงเยื้องพระบาทก้าวลงเรืออย่างงามสง่าและสงบนิ่งจนสร้างความพิศวงให้แก่ทุกคนในที่นั้นเป็นอย่างมากเมื่อเรือเคลื่อนออกจากท่าน้ำแล้วคนแจวเรือซึ่งเป็นข้าราชบริพารที่รักกษัตริย์อานนท์มากเช่นกันก็กล่าวแก่พระองค์ว่าหากพระองค์จะทรงเปลี่ยนพระทัยในตอนนี้กระหม่อมก็ยินดีที่จะพาพระองค์ไปขึ้นอีกฝั่งหนึ่ง โดยไม่บอกใครเลยว่าพระองค์ไม่ได้เดินทางไปยังฝั่งตะวันตกกระสัดอานน์หันไปมองคนแจวเรือด้วยรอยยิ้มเจ้าหลอกทุกคนได้แต่จะหลอกคำสาบของเทวดาผู้มองพวกเราจากบนสูงสวรรค์ได้หรือขอบใจที่หวังดีแต่หากทนเช่นนั้นบ้านเมืองของเราคงต้องพินาศย่อยยับดังคำสาบเมื่อร้อยปีก่อน แต่พระองค์กําลังจะไปพบกับอันตรายอันใหญ่หลวงนะพระเจ้าค่ะที่นั่นเป็นป่าลึกและมีสัตว์ร้ายอยู่มากมายกระหม่อมรู้ดีเพราะกระหม่อมคือคนที่ต้องจ่าเรือไปส่งบรรดากรัตรพระองค์แล้วพระองค์เล่าและอยู่รอตรงริมฝั่งตะวันตกถึงสามวันสามคืนแต่หาได้มีกรัตรพระองค์ใดรอดชีวิตกลับมายังเรือของกระหม่อมได้เลย นอกจากนั้นคนแจวเรือยังพล้ำพูดถึงพยันตรายต่างๆที่เล่าลือกันอย่างมากมายบนป่าตะวันตกแต่ถึงกระนั้นกษัตริย์อาณ น, น์ก็ยังทรงวางเฉยและดูเหมือนจะทรงแย้มพระโอดน้อยๆเสียด้วยซ้ําจนคนแจวเรือนึกสงสัยเป็นอย่างยิ่งเขาจึงทูลถามพระองค์ว่ากระหม่อมเล่าเรื่องอันตรายต่างๆบนป่าฝั่งตะวันตกเสียมากมายแต่เหตุใดพระองค์จึงดูเหมือนจะไม่ทรงหวาดวิตกเลยแม้แต่น้อยเล่าพระเจ้าค่ะ หากเป็น ก, กษัตริย์พระองค์ก่อนๆป่านนี้คงจะร่ำไห้อ้อนวอนกราบกรานให้กำมอมปล่อยตัวไปแล้วแค่นึกกลัวทุกอย่างก็จบสิ้นเพราะฉะนั้นอย่าได้กลัวท่านตาของเราสอนให้เรามีความกล้าและใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาอยู่เสมออันที่จริงก็ใช่ว่าเราจะไม่เคยนึกประวัติพันพลึงกับเวลาห้าปีที่มีความตายรออยู่ข้างหน้าหรอกนะ แต่เมื่อลองคิดดูดีๆแล้วทำไมเราจะต้องนั่งรอความตายด้วยในเมื่อยังมีวิธีแก้ปัญหาดีๆอยู่อีกเพราะฉะนั้นเราจึงไม่กลัวและลองทำในสิ่งที่เราคิดดูคนแจวเรือมองกษัตริย์อานนท์อย่างไม่เข้าใจเขาลองถามพระองค์ด้วยความสงสัยว่าพระองค์ทำอะไรอย่างนั้นหรือพระเจ้าข่ากษัตริย์อานนท์ทรงแย้มพระโอษฐ์อีกครั้งก่อนจะตรัสตอบว่า เพราะเรารู้ว่ามีอันตรายมากมายรอเราอยู่ในอีกห้าปีข้างหน้าดังนั้นในขณะที่กำลังบริหารกิจการบ้านเมืองเราก็ได้วางแผนเกี่ยวกับเรื่องนี้ควบคู่กันไปด้วยเป็นอย่างดีในปีแรกเราได้ว่าจ้างนักรกฝีมือชากาทั่วแผ่นดินจำนวนหนึ่งอคนข้ามไปยังป่าลึกฝั่งตะวันตกเพื่อฆ่าสัตว์ร้ายเสียก่อน ต่อมาในปีที่สองเราได้สั่งให้คนดูแลสวนเข้าไปตัดต้นไม้ใบหญ้าที่รกคลุมและไม่จําเป็นทิ้งเสียในปีที่สามเราสั่งให้ช่างฝีมือไปสร้างพระราชวังวัดวาอารามและสิ่งก่อสร้างต่างๆเอาไว้มากมายสําหรับประชาชนปีที่สี่เราส่งข้าราชการที่ไว้ใจได้ให้มาศึกษาแผนผังเมืองและปรึกษากันอย่างดีว่า ควรปกครองบ้านเมืองแห่งใหม่อย่างไรและสุดท้ายในปีที่หเราก็ส่งคนที่เราไว้ใจจำนวนหนึ่งไปอยู่ที่นั่งเพื่อทดลองใช้ชีวิตในเมืองใหม่และรอต้อนรับคนอื่นๆที่กำลังจะตามมานี่ก็ใกล้จะถึงแล้วนั่นอย่างไรเจ้าจงมองดูข้างหน้านั่นสิคนแจวเรือมองไปข้างหน้าตามรับสั่งของกษัตริย์อานน์แล้วต้องร้องลั่นด้วยความตะ ก, การตาระคนสนเทใจว่าโอ้ อะไรกันนี่บ้านเมืองแห่งนี้ช่างสวยงามเหลือเกินแต่อันที่จริงแล้วที่นี่ควรจะเป็นป่าตะวันตกที่รกทึบมิใช่หรือมีข้าราชบริพารและประชาชนออกมาถวายการต้อนรับกษัตริย์อาโ น, น์อยู่เต็มริมฝั่งรวมทั้งอำมาตย์อุโสผู้เป็นพระอัยการซึ่งถูกส่งมาดูแลบ้านเมืองแทนกษัตริย์อา น, น์ก่อนหน้านี้นานแล้วกษัตริย์อานน์ สเสด็จขึ้นฟังอย่างสง่าผ่าเผยพร้อมกับทรงเรียกให้คนแจวเรือขึ้นมาด้วยนี่คือเมืองใหม่ของเราไม่มีป่ารกทึบน่ากลัวไม่มีสัตว์ร้ายมีแต่บ้านเมืองที่น่าอยู่เจ้าก็จงมาอยู่กับเราด้วยกันเถิดกริย์อานน์กล่าวแก่คนแจวเรือซึ่งก้มลงกราบแทบพระบาท ด, ด้วยความซาบซึ้งยิ่งในตอนนั้นเองเกิดแสงสว่างสาดส่องไปทั่วท้องฟ้า แล้วร่างของเทวดาทั้งสี่องค์ก็ปรากฏอยู่ตรงหน้าผู้คนในที่นั้นเทวดาองค์หนึ่งกล่าวขึ้นว่าในที่สุดก็มีผู้ลบล้างคำสาบของพวกเราได้สักทีกริยัอาณ น, น์ท่านเป็นคนมีสติปัญญาล้ำเลิศคุณธรรมสูงส่งสมควรแล้วที่จะได้ครองบัลลังก์แห่งกริยัจากนี้ไปเมืองกษสิบุรี ก็จะไม่ต้องมีกษัตริย์ปกครองบ้านเมืองเพียงแค่ห้าปีอีกต่อไปข้าขออวยพรให้แต่ก่อนที่เทวดาทั้งสี่จะให้พรกษัตริย์อานต์ก็ตรัสขึ้นมาก่อนว่าช้าก่อนท่านเทวดาทั้งสี่ข้ามีเรื่องอยากจะบอกกล่าวท่านด้วยว่าเมืองเกษบุรีเก่านั้นชํารุดสุดโสมมากแล้วประชาชนก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นจนดูคับแคบไปถนัด อีกทางเมื่อได้ดูแผนผังของเมืองดีๆแล้วเมืองเกษิบุรีเก่าก็ดูเหมือนจะมีจุดอ่อนทางยุทธศาสตร์อยู่มากข้าจึงอยากจะย้ายเมืองมาอยู่ณนแะผ่นดินใหม่แห่งนี้แล้วประชาชนที่อยู่เมืองกษิบุรีเก่าเล่าเจ้าจะทอดทิ้งพวกเขาหรือเทวดาถามข้าไม่มีวันทอดทิ้งประชาชนของข้าหรอก แต่ข้าจะค่อยๆทยอยย้ายประชาชนและข้าวของต่างๆมาไว้ยังเมืองนี้ซึ่งก็คงต้องใช้เวลาบ้างเพียงแต่ท่านเทวดาทั้งสี่จะเห็นด้วยกับความคิดนี้ของข้าหรือไม่กษัตริย์อานนนตรัสถามอีกครั้งเมื่อเจ้าคิดอย่างรอบคอบแล้วพวกเราทั้งสี่ก็เห็นชอบด้วยและในเมื่อเจ้าเป็นผู้สร้างเมืองใหม่แห่งนี้ด้วยตนเอง พวกเราก็ไม่มีสิทธิ์ก้าวก่การปกครองบ้านเมืองของเจ้าอีกอย่างไรก็ตามเราทั้งสี่ต่างชื่นชมในสติปัญญาและความอุตสาหะของเจ้าดังนั้นเราจะตั้งชื่อเมืองใหม่แห่งนี้เพื่อเป็นสิริมงคลว่าเมืองนวักกะสิบรีและขอวอวยพรให้เจ้าปกครองบ้านเมืองด้วยความสงบสุขสืบไป เมื่อสิ้นคำอวยพรของเทวดาทั้งสี่ก็ปรากฏข้าวตอกดอกไม้โปรยไปาไยไปทั่วเมืองนวากะสิบุรีเป็นที่สวยงามยิ่งนักแล้วเทวดาทั้งสี่ก็กลับขึ้นสู่สวรรค์และไม่เคยลงมาปรากฏกายอีกเลยหลังจากนั้นกระสัอาโนนก็ขึ้นครองราชบัลลังก์เป็นปฐมกษัตริย์ของเมืองนวากะิบุรีด้วยเหตุนี้ เมืองแห่งกษัตริย์ห้าปีที่เคยต้องคำสาบจึงกลายเป็นเพียงตำนานเล่าขานสู่คนรุ่นหลังสืบต่อ ก, กันมาเท่านั้นเธอทั้งหลายหากเปรียบให้ดีแล้วมนุษย์เราก็มีชีวิตไม่ต่างจากเหล่ากษัตริย์แห่งเมืองกษัตริย์ห้าปีเท่าไรนะักเนื่องจากเราทุกคนย่อมถูกชะตากรรมกำหนดให้พบเจอกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราไม่ต้องการเข้าสักวันและก็ยากที่เราจะหลีกหนีสิ่งนั้นพ้น เพราะว่าชะตากรรมไม่ได้ห้ามไม่ให้เธอต่อสู้มิใช่หรือถ้าอย่างนั้นทําไมเธอจะไม่ลองสู้ดูก่อนเล่าหากมีสิ่งเลวร้ายใดๆเกิดขึ้นในชีวิตของเธอและเธอเองก็เลี่ยงสิ่งนั้นไม่ได้ให้เธอลองคิดถึงนิทานเรื่องนี้แล้วถามตัวเองว่าอยากเป็นเหมือนกษัตริย์ที่นั่งรอความตาย หรือจะเป็นดั่งกษัตริย์อานน์ผู้ไม่ยอมแพ้ละวางแผนต่อสู้กับอันตรายซึ่งรออยู่ข้างหน้าอย่างเข้มแข็งหากเธอเลือกที่จะเป็นแบบกษัตริย์พระองค์ใดเธอก็ย่อมมีชีวิตเป็นแบบกษัตริย์พระองค์นั้นดังนั้น ในตอนนี้เธอจะต้องหมั่นเรียนรู้ทุกเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเธอประสบการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะมาจากครอบครัวโรงเรียนที่ทำงานหรือแม้แต่สิ่งที่เธอได้พบเห็นจากสองข้างฝั่งถนนก็สอนอะไรเธอได้ตั้งมากมายเพียงแต่เธอต้องจับความสำคัญในสิ่งที่เกิดขึ้นให้ได้ใช้เวลาทุกวินาทีให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตของเธอและรู้จักวางแผนชีวิตอยู่เสมอ ด้วยจุดมุ่งหมายที่ว่าในเมื่อเราต้องอยู่ในโลกนี้เราก็ต้องอยู่อย่างมีความสุขให้ได้เมื่อทำได้ถึงขนาดนี้แล้วชีวิตของเธอก็จะสมบูรณ์พบกับความสุขตลอดไป